ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีเครนแล้วเข้าไปเยี่ยมท่านพระอัสชิถึงที่อยู่ ท่านพระอัสสชิได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอัสสชิดังนี้ว่าอย่าเลยอัสสชิเธออย่าลุกจากเตียงเลยเราจะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้นั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาอัตที่ปูลาดไว้แล้วด้วยตรัสถามว่าอัสสชิเธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือละถึงอาการทุเราปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระอาสชิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเราลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเราไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าข่าอาสชิ เธอไม่ราําคาญไม่ทุรนทุรายบ้างหรือความจริงข้าพระองค์ราําคาญทุรนทุรายมากพระพุทธเจ้าค่ะอาสชิเธอติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ข้าพระองค์ติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะอาสชิถ้าเธอติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะราําคาญทุรนทุรายไปทําไม เมื่อก่อนข้าพระองค์ระ ง, งับกายสังขารลมหายใจเข้าออกบรรเทาความป่วยไข่ยอยู่จึงไม่ได้สมาธิเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้สมาธิจึงคิดอย่างนี้ว่าเรายังไม่เสื่อมจากสมาธินั้นหรือพระพุทธเจ้าข้าอัสสชิสมณะพราหมณ์ทั้งหลายที่มีสมาธิเป็นแก่นสารมีสมาธิเป็นคุณแห่งสมณะเมื่อไม่ได้สมาธินั้นจึงคิดว่า เรายังไม่เสื่อมจากสมาธินั้นหรืออัสชิเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นและอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชาติว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ถ้าอริยสาวกนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าโมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าโมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่า อทุกข์คำสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงละถึงรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินเมื่อเธอสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอสวยอาทุกขคำสุขเวทนา ก็เป็นผู the ้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกข์มสุขเวทนานั้นถ้าอริยสาวกนั้นเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดถ้าอริยสาวกสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าความสวยอารมณ์ทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลิน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 เราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าความเสวยอารมณ์ทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวอาสัชิสูตรที่หจบ เเขมะกะสูตรว่าด้วยพระเขมะกะสมัยหนึ่งพระเถระจำนวนมากอยู่ณโคสิตารามเข ค, ครุงโกสัมพีสมัยนั้นท่านพระเขมะกะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักพักอยู่ที่พัทธริการามครั้นในเวลาเย็นพระเถระทั้งหลายออกจากที่หลีกเร้นแล้วเรียกท่านพระทาสกะมากล่าวว่า มาเถิดท่านทาสกะท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมะกะถึงที่อยู่แล้วบอกว่าท่านเขมะกะพระเถระทั้งหลายถามถึงท่านว่าเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระทาสกะรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมะกะถึงที่อยู่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 อาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏครั้งนั้นท่านพระทาสกะเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายถึงที่อยู่แล้วเรียนว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเขมมะกะกล่าวว่าผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏ มาเถิดท่านทาสกะท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมะกะถึงที่อยู่แล้วบอกว่าท่านเขมะกะพระเถระทั้งหลายฝากมาถามว่าท่านผู้มีอายุอุปทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปูปานาขันอุปาทานขันคือรูปสองเวทนูปาทานขันอุปทานขันคือเวทนา สสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญาสสังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณท่านเขมะกะพิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรๆในอุปาทานขันห้าประการนี้ ท่านพระทาสกะรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงที่อยู่และถึงท่านเขมกะพระเถระทั้งหลายฝากมาถามว่าท่านผู้มีอายุอุปาทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปูปาทานขันและถึงวิญญาณูปาทานขันท่านเขมกะพิจารณาเห็นอัตตา หรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรอะไรในอุปาทานขันห้าประการนี้ท่านผู้มีอายุอุปาทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปูปาทานขันและถึง 5. วิญญาณูปาทานขันผมไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรอะไรในอุปาทานขันห้าประการนี้เลยครั้งนั้น ท่านพระทาสกะก็ไปหาพระเถระทั้งหลายถึงที่อยู่แล้วเรียนว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเขมมะกะกล่าวว่าอุปาทานขันห้าประการ น, นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปูปาทานขันและถึงหวิญญาณูปาทานขันผมไม่พิจรารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรอะไร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 หากท่านเขมะกะไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรๆในอุปาทานขันห้าประการนี้เลยถ้าเช่นนั้นท่านเขมะกะก็เป็นพระอรหันตขีนาศท่านพระทาสกะรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมะกะถึงที่อยู่และถึงท่านเขมะกะพระเทระทั้งหลายฝากมาถามว่า อุปาทานขันหประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่ 1. รูปูปาทานขันและถึง 5. วิญญาณูปาทานขันทราบว่าหากท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรๆในอุปาทานขันห้าประการนี้เลยถ้าเช่นนั้นท่านเขมก ะ, กะก็เป็นพระอรหันตขีนาศ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 ในอุปาทานขันห้าประการและผมก็ไม่ด้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้ครั้งนั้นท่านพระทาสกะเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายถึงที่อยู่แล้วเรียนว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเขมะกะกล่าวว่าอุปาทานขันห้าประการ น, นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปูปารทานขันละถึงห้า วิญญาณูปาทานขันผมไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรๆในอุปาทานขันห้5ประการนี้เลยและผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตะขีนาศแต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปาทานขันหประการและผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้มาเถิดท่านทาสกะท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู่แล้วบอกว่า ท่านเขมกะพระเทระทั้งหลายฝากมาถามว่าคําที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรท่านกล่าวว่าเรามีรูปกล่าวว่าเรามีนอกจากรูปท่านกล่าวว่าเรามีเวทนาสัญญาสังขารท่านกล่าวว่าเรามีวิญญาณกล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณท่านเขมกะ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 สัญญาสังขารท่านกล่าวว่าเรามีวิญญาณกล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณท่านเขมะกะคำที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรพ่อทีเถิดท่านทาสกะการเดินไปเดินมาบ่อยๆนี้จะมีประโยชน์อะไรท่านจงหยิบไม้เท้ามาผมจะเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายเองลำดับนั้นท่านพระเขมะกะ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 ผมไม่ได้กล่าวว่าเรามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งไม่ได้กล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณแต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปทานขันห้าประการและผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนกลิ่นดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญทรึกก็ดีผู้ที่กล่าวว่า กลิ่นของใบว่ากลิ่นของสีหรือว่ากลิ่นของเกสรอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องท่านผู้มีอายุท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อจะตอบให้ถูกต้องควรตอบอย่างไรท่านผู้มีอายุเมื่อจะตอบให้ถูกต้องควรตอบว่ากลิ่นของดอกท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ได้กล่าวว่าเรามีรูป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 พระอริยสาวกละได้แล้วก็จริงแต่ท่านก็ยังถอนมานะฉันทะและอนุสัยอย่างละเอียดในอุปทานขันห้าประการว่าเรามีไม่ได้ต่อมาท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันห้าประการว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เ<โ><ย>มื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันหประการ น, นี้อยู่ถึงแม้ท่านจะยังถอนมานะชันทะและอนุสั ย, ยอย่างละเอียดในอุปาทานขันห้าประการว่าเรามีไม่ได้ แต่มานะฉันทะและอนุสัยก็ถูกเพิกถอนขึ้นได้ผ้าสุกปรกเปื้อนมนทินเจ้าของผ้ามอบผ้านั้นให้แก่ช่างซักผ้าช่างซักผ้าขยี้ผ้านั้นในน้ําด่างเกลือน้ําด่างขี้เท่าหรือในโคลไมแล้วซักในน้ําสะอาดผ้านั้นสะอาดก็จริงแต่ผ้านั้นก็ยังไม่หมดกลิ่นน้ําด่างเกลือกลิ่นน้ําด่างขี้เท่า รึกลิ่นโคไมทยที่ติดอยู่ช่างซักผ้าหม้อผ้านั้นคืนให้เจ้าของไปเจ้าของเก็บผ้านั้นใส่ไว้ในหีบอบด้วยกลิ่นแม้ผ้านั้นจะยังไม่หมดกลิ่นน้ำด่างเกลือกลิ่นน้ำด่างที่เท่าหรือกลิ่นโคไมท์ที่ติดอยู่แต่กลิ่นนั้นก็หายไปแม้ฉันใดท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสังโยดเบื้องตามห้าประการ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 สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันห้าประการนี้อยู่ถึงแม้ท่านจะยังถอนมานะฉันทะและอนุสัยอย่างละเอียดในอุปทานขันห้าประการว่าเรามีไม่ได้ แต่มานะันทะและอนุสัยก็ถูกเพิกถอนขึ้นได้เมื่อท่านพระเขมะกะกล่าวอย่างนี้แล้วพระเถระทั้งหลายเด้๋ยกล่าวว่าพวกผมไม่ได้ถามมุ่งเบียดเบียนท่านเลยแต่ท่านเขมะกะสามารถบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นโดยพิสดารตามที่ท่านบอกแสดงบัญญัต กำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายแล้วโดยพิสดารท่านพระเขมะกะได้กล่าวอย่างนี้แล้วพระเทระทั้งหลายมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธิ์ของท่านเขมะกะก็เมื่อท่านพระเขมะกะกล่าวเวยากรณพาสิทธินี้อยู่จิตของพระเทระประมาณห0สิรูปและของท่านพระเขมะกะก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน เคมะกะสูตรที่เจ็จบ 8. ชันนะสูตรว่าด้วยพระชนนะสมัยหนึ่งพระเทระจจำนวนมากอยู่ณป่าอิสบปตนะมรุกขายวันเขครุงพาราณสี ครั้นในเวลาเย็นท่านพระช น, นะออกจากที่หลีกเร้นแล้วถือลูกดานเดินเข้าออกวิหารกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงตักเตือนพร่ำสอนแสดงธรรมมีกาถาแก่ผมพอที่ผมจะเห็นธรรมได้เมื่อท่านพระช น, นะกล่าวอย่างนี้แล้วพระเทระทั้งหลายได้กล่าวกับท่านว่าท่านช น, นะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาลำดับนั้นท่านพระฉันนะได้มีความคิดว่าแม้เราก็มีความคิดว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สำโรกราคะเป็นที่ดับทุกเป็นที่ดับตันหา ความสะดุ้งกลัวและอุปาทานก็เกิดขึ้นใจจึงท้อถอยเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าเป็นอัตตาของเราแต่ความคิดอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นธรรมใครเล่าจะแสดงธรรมแก่เราพอที่เราจะเห็นธรรมได้ลำดับนั้นท่านพระฉันนะได้มีความคิดต่อไปว่าท่านอานน์นี้อยู่ณนะโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพี ซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนโรมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนก็ยกย่องจะสามารถแสดงธรรมแก่เราพอที่เราจะเห็นธรรมได้อันหนึ่งเราก็มีความคุ้นเคยในท่านอานน์มากทางที่ดีเราควรเข้าไปหาท่านอานน์ถึงที่อยู่ต่อมาท่านพระชนนะเก็บงำเสนาสนะแล้วถือบาทและจีวอน ก็ไปหาท่านพระอานนท์ถึงโคสิตารามเขครุงโกสัมพีได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนาที่สมควรด้วยกล่าวว่าท่านอานนท์สมัยหนึ่งผมอยู่ณป่าอิสิ ป, ปตนมรกคทายวันเขครุงพารณสีครั้นในเวลาเย็นผมออกจากที่หลีเครนถถอลูกดานเดินเข้าออกวิหารได้กล่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงตักเตือนพร่ำสอนแสดงธรรมมีคาถาแฝผมพอที่ผมจะเห็นทำได้เมื่อผมกล่าวอย่างนี้แล้วพระเถระทั้งหลายได้กล่าวว่าฉันนะรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาละถึงวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา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 ไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่สงบระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สำรอกราคะเป็นที่ดับทุกเป็นที่ดับตันหาความสะดุ้งกลัวและอุปาทานก็เกิดขึ้นใจจึงท้อถอยเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าเป็นอัตตาของเราแต่ความคิดอย่างนี้ย่อมไม่มีแกผู้เห็นธรรมใครเล่าจะแสดงธรรมแกเรา พอที่เราจะเห็นทำได้ท่านผู้มีอายุผมได้มีความคิดต่อไปว่าท่านอานนนนี้อยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีซึ่งพระาศาสดาทรงสันเสริญและเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนก็ยกย่องจะสามารถแสดงธรรมแก่เราพอที่เราจะเห็นทำได้อันหนึ่งเราก็มีความคุ้นเคยในท่านอาโนนมากทางที่ดี เราควรเข้าไปหาท่านอานน์ถึงที่อยู่ขอท่านอา น, น์จงตักเตือนพร่ำสอนแสดงธรรมมีคะถาแก่ผมพอที่ผมจะเห็นธรรมได้เถิดท่านพระอา น, น์กล่าวว่าแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ผมก็พอใจยินดีกับท่านันนะท่านั น, นะได้ทำความเห็นให้ชัดแจ้งทำลายความดื้อดึงแล้วท่านช น, นะท่านจงเยี่ยโสดลง ท่านสมควรจะรู้ทําได้อย่างแจ่มแจ้งลำดับนั้นปีติและปราโมทอย่างยิ่งได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระฉันนะด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่าเราสมควรจะรู้ทําได้อย่างแจ่มแจ้งท่านพระอานน์กล่าวว่าท่านฉันนะผมได้สดับคำนี้มาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคผู้ตรัสสอนภิกษุกัจจานโคดอยู่ว่ากัจจานะโดยมา โลกนี้อาศัยที่สุดสองอย่างคือหนึ่งความมีสองความไม่มีก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความไม่มีในโลกก็ไม่มีเมื่อบุคคลเห็นความดับของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความมีในโลกก็ไม่มีกา จ, จานะโดยมา โลกนี้พัวพันอยู่ด้วยอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุถือมั่นแต่อริยสาวกนี้ไม่เข้าไปยึดมั่นอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องว่าอัตตาของเราไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยว่าทุกนั่นแหลเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกข์เมื่อดับย่อมดับไป อริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยกัจจานะด้วยเหตุเพียงเท่านี้จัดว่าเป็นสัมมาทิฐิกัจจานะที่สุดอย่างที่หนึ่งนี้คือสิ่งทั้งปวงมีอยู่ที่สุดอย่างที่สองนี้คือสิ่งทั้งปวงไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองนี้แสดงธรรมโดยสายกลางว่า เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะอาวิชชานั่นแลดับไม่เหลือด้วยวิระะาคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้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 เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอาหารการมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ก็ตาม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 ทุติยราหุลสูตรว่าด้วยพระราหุลสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีท่านพระราหุล น, นั่งน้าที่สมควรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรใจจึงจะปราศจากอาหางการมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอก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 เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมัน่นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึง่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีไกลหรือใกล้ก็ตาม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 ก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระ ง, งับหลุดพ้นดีแล้วทุติยราหุลสูตรที่สิบจบเทรวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อนันทสูตร 2. ติดสูตร 3. ามยมกะสูตร 4. อนุราทสูตร 5. วักลิสูตร 6. อาสชิสูตร 7. เคมกะสูตร 8. ชันนสูตร 9. ราหุละสูตร 10. ทุติยราหุละสูตร